หลวงพ่อจลันจลณนะสัมปันโนแสดงธรรมเกี่ยวกับหลักการเจริญสติปัฏฐานที่วัดบ้านโนนสูงสะอาดตํบลโนนสําราญอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2546ขอเชิญทุกท่านฟังธรรมครับเมื่อครอบคราภละใจพระรูปประจําพระสงฆ์ ขอถ า, ายความเคารพท่านทู้เป็นประธาน ง, งานนี้ข อ, อากาศาะจากพระเสลานเสลาตลอดทังง้งแต่สถาณิกไม่พอจะเรียนพร้ารัโยมบาสรบุสิทธาทุกคนว่าละต่อไปนี้เวลาที่แล้อยู่ เพราะว่าอาจารย์ก็ให้สงพ่อให้ผมเองมาทำหน้าที่สืบต่อไปในการพูดแลญาติโยมก็ทำหน้าที่ร่วมกันในการฟังระหว่างการฟังกับการพูดนี่ให้สมดุลกันให้พอเหมาะพอควรซึ่งกันและกัน ทำให้กลมดุลกันนั้นก็หมายถึงว่าเราเป็นผู้ฟังแล้วก็ตั้งใจฟังให้เป็นประโยชน์ตัวตั้งใจฟังนี่แหละคือ ต, ตัวสมาธิเราฟังด้วยสมาธิสมาธิท่านก็หมายเอาหมายไออกมาว่าสมาธิคือตั้งใจมัน่น ถา้าเราตั้งใจฟังตั้งใจทําผลก็เกิดพ่อแม่ของเราครูบาอาจารย์จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรตั้งใจนะเรียนตั้งใจเรียนปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติตัวตั้งใจนี่แหละสำเร็จผลแม่พระเจ้าของเราก็ ด้วยความตั้งใจเพื่อทิษฐานธิ่ฐานตั้งใจมี่เราตั้งใจตรงนี้ดังนั้นการที่พวกเราปฏิบัติร่วมกันอยู่ในการเจริญสติภาวนาการเจริญสตินี่คำหนึ่งภาวนาคำหนึ่งธรรมภาวนานี้ ทำเราทำให้มันมากทำให้มันหลายการเจริญสตินี่ก็เหมือนกันเราเกตนากำหนดรู้นี่คือการเจริญสติกำหนดรู้อะไรกำหนดรู้ตัวเราที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยูน่นี้เกตนาลูตัวนี้เดี๋ยวนี้พวกเราขาดเกตนา การปฏิบัติทาการเจริญสติทุกสิ่งทุกอย่างเราทำอยู่แล้วเราใช้ชีวิตประจาวันตั้งแต่เราเกิดมารู้ภาษาคนมาเราก็ทำอยู่ทาอยู่แล้วหลวงพ่อเทียนมาสอนพวกเราไม่ได้สอนนอกตัวของเราไปแล้วก็ไม่ได้สอนที่สิ่งที่เราจะทำไม่ได้ ไม่ใช่สอนที่สิ่งที่เราทำอยู่แต่ว่าเราขาดความพิเคราะห์สังเกตการกระทาของเราเท่านั้นขาดตรงนั้นเมื่อมันขาดตรงการพิจรารณาความพิเคาะห์ท่านจึงได้บอกพวกเราว่าให้เอาสติไปกำหนดรู้ ในการยืนเดินนั่งนอนอริรบททุกส่วนของกายแล้วพอเทียนจี้ลงไปตรงนี้แล้วก็ทาตรงนี้ตอ้องเอาสติลงไปกำหนดรู้อยู่ที่กายเรียกว่ากายานุน ป, ปัฏฐานาตรงนี้ดังนั้นทุกคนนักปฏิบัติ จะเป็นว่ากุลเจ้าก็ดีญาติเดิมก็ดีเราบกพร่องตรงนี้ตรงที่เราเอาสติขาดสติไปกําหนดรูลงไปที่กายของเราที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่นี้ก่อนเราบกพร่องตรงนี้แท้ๆเราขาดตรงนี้เรากําหนดลงไปที่กายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ก่อนอันนี้เป็นอัตมุบัติอันนี้เป็นเบื้องต้น ท่านเพิ่งได้มีอุบายสอนพวกเราให้เจตนาสร้างความรู้สึกขึ้นดืกการเดินเรียกว่าเดินจมกลงท่านให้ให้เรามีความเจตนาลงไปที่การเดินดังนั้นการเดินของพวกเรานี่ทีแรกเนี่ยเรากำหนดรูดช่วยไปก่อนในการเดินเนี่ย เราเดินมาตั้งแต่เราเดินเป็นมาเราไม่ได้กำหนดรู้เอาสติไปประ ก, กอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หละเราบกพ่องตรงนี้ที่ได้หลวงพ่เทียนมาบอกพวกเราสอนพวกเราให้เอาสติลงไปประกอบตรงนี้ในการเดินนี่คือเบื้องต้นที่ไี้คันภีรอันที่สองนั่น ถ้าเทเกตนาสร้างจังหวะโดยมืออย่าอยู่เซ่อเออย่าอยู่เฉยเฉยความจริงแล้วมือเรานี้ก็จับนั่นจับนี่อยู่ตลอดตั้งแต่เราจะลุกภาษาคนมาจับมาตลอดเราใช้มือเนี่ยเป็นหลักแล้วเทเกตนาสร้างจังหวะเนี่ยเพื่ออยากให้เรารู้มือ ให้เรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่มือจนสติตัวเรากำหนดรู้อยู่ที่มือนี่จนมันเป็นเองจนมันรู้เองเมื่อมันรู้เองแล้วนั้นเเราทำอะไรจับอะไรอเราจะใช้ชีวิตกับมือเนี่ยจับอะไรอะไร เราจะนูไปหมดท่าของเราก็เหมือนกันเราเดินเป็นมาตั้งแต่เราเราเดินเป็นมาเนี่ยเราไม่เคยกำหนดรูดยูยการเดินเลยหลวงพ่อเทียนมาชี้ให้พวกเราลงไปไว่าให้เดินจกมก้มเราก็กำหนดรูลงไปการเดินนี่เป็นเบื้องต้นดูก่อนการเดินจมก้มของเราเนี่ยหัดไปหัดมาหัดไปหัดมาเนี่ย กิจของเราเนี่ยมันหัดได้แต่ก่อนมันอยู่กับความหลงพอเราเอาความรู้สึกตัวหรือเอาสติมาประกอบมันก็คืนมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้ตรงคืนมารู้เนี่ยตรงกลับมารู้เถอยรู้ตัวนี่นี่คือปฏิบัติปฏิบัติอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้การเดินทีนี้เรารู้แล้ว เดินไปไหนมาไหนรู้หมดให้เอาประโยชน์จากการเดินนี่คือตัวปฏิบัติอยู่ตรงนี้การยกมือสร้างกว่าการเดินจำกุมกำหนดรู้ลงไปนั่นนี่ก็เริ่มต้นเริ่มต้นตัวปฏิบัติภาวนาอยู่ตรงนี้ เ, นเรากำหนดรู้เดินไปเรื่อยเรื่อยเดินไปเรื่อยเรืยหัดหัดรู้ในการเดินผลที่สุดเนี่ย การเดินเนี่ยมันเลยเป็นเองเราไม่ได้กําหนดก็รู้คําพูดคํานี้หลวงพ่อหลวงพ่อยืนยันแล้วก็มีพูดพูดพูดทําได้ได้ด้วยมีพยานแต่ก่อนหลวงพ่อพูดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อคำเสียนหลวงพ่อเสียนพูด ว่าความรู้สึกตัวที่มันเป็นเองนี่ท่นานบอกว่ามันเป็นเองโดยไม่กำหนดไม่หลวงพ่อจะไม่เชื่อไม่เชื่อหลวงพ่อความเขียนมันจะเป็นได้อย่างไรแต่เรากำหนดรู้อยู่มันก็ไม่เป็นแล้วเรากำหนดรู้อยู่มันก็หลงอยู่เอาใจดีสู้สื่ออิหยมตรงนี้เอาไว้ก่อนมันจะหลง มันจะรู้ก็ช่างมั้ทีแรกตัวหลงจะมากกว่าตัวรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยก็หลงจะมากกว่าหพราพที่อเทียนท่านบอกเราฟังไหมมันจะคิดร้อยเรื่องเรามาลูรูขั้งหนึ่งก็เหลืออยู่เก้าจุดเก้าเรื่องเคดอีกลูอีกก็ค่อยลดลงมาความคิดความรู้จะ่อยเพิ่มขึ้นไปอีก ตัวรู้สึกตัวของเราจะตำรวจขึ้นมันค่อยลูบขึ้นลูบขึ้นเองเมื่อมันลูบขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดความมั่นใจแต่ก่อนหลวงพ่อพูดนี่ยังไม่มีใครใครลูบตาเดี๋ยวนี้มีแล้วหลวงพ่อจ่อยอยู่ที่วัดหลวงพ่อเป็นแล้วนี่ ท่านก็บอกว่าเอ๊ะมาอัดจกดกันมันเป็นในยังไงแต่ที่ไม่กำหนดมันรู้มันเป็นในยังไงการท่องฟันนี่ก็เหมือนกันยอมรับว่ามันเป็นไปได้ถ้าผู้ใดถึงจุดที่ว่าตัวสติไม่กำหนดรูปมันเป็นเองนั้นสังเกตการเดินของท่านก็รู้จักสังเกตการทำการทำงาน หรืออะไรก็แล้วแต่จะรู้จักแต่ผู้ยังไม่เป็นจะดูไม่เป็นแต่ถ้าผู้เป็นแล้วจะดูรู้สังเกตรู้มันมีสิ่งที่จะบอกบ่งบอกอยู่สติสู่สติกิตสู่กิตมันถึงกันอยู่มันรู้กันอยู่แต่ผู้ที่เรายังไม่เป็นเนี่ยดูท่านไม่ออก แต่ถ้าเราเป็นแล้วดูท่านออกเราก็เหมือนท่านท่านก็เหมือนเราลู้เหมือนกันแต่เราดูแต่ท่านดูเราดูออกว่าใครจะเป็นอย่างไงใครจะได้สติไหมใครจะได้สมาธิที่สมบูรณ์ไหมลูกดูรู้ออ ก, ก, กใครจะผ่านอารมณ์นิวรา์ได้ไหมก็ดูออกดูออกจนี่คือตาทิพย์ของหลวงพ่อเทียนดูออก ถ้าเห็นตัวเจ้าของแล้วรู้ตัวเจ้าของแล้วดูคนอื่นเขาออกดูเป็นเพราะทุกคนเหมือนกันหมดโยมที่นั่งอยู่ก็เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยแหละพระเจ้าพระสรงฆ์ที่นั่งอยู่ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็เหมือนญาติเหมือนโยมนี่แหละมีเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันตามหลักปรัตญสัจจะมีเรามีเหมือนกันหมดแต่ตามหลักสมมติบัญญัติไม่เหมือนกันเราไมีไม่เหมือนกัน ดังนั้นการที่เราเจริญสติเนี่ยภาวนาเนี่ยเริ่มต้นให้ถูกถ้าเริ่มต้นไม่ถูกจะเสียเวลาเริ่มต้นให้ถูกเริ่มยังไงทำยังไงการที่เราทำภาวการเจริญภาวนาประฐานถ้าเราทำไปมันจะมีอารมณ์มารวม เราทำให้ถึงอารมณ์ก่อนอารมณ์คืออะไรถ้าถามพูดยังไม่ได้จะจะไม่รู้เลยถ้าพูดถามพูดที่เคยสัมผัสแล้วจะรู้ส่วนมากเรายังคาเนวอนอยู่เนี่ยมันจะไม่ถึงอารมณ์อันนี้หลวงพ่อไม่ใช่ว่าพูดเสียพูดให้คนอื่นขำใจ ไม่ใช่พูดเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อจะพูดความจริงของหลวงพ่อที่หลวงพ่อได้ผ่านมาถึงแค่แรกเนี่ยเรื่องเนยวรเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ตัวมากทุกคนจะคาเนยวรหลวงพ่อก็คาเหมือนกันตัวเนยวรเนี่ยทุกมากเลยยากมากยากมากยากกว่าอะไรทุกอย่างนะขั้นแรกตัวเนยวนเป็นด่านแรกของกรรมฐ า, าน ขอให้เราขอให้เราผ่านตัวนี้เรียกกนถึงแก่ถึงอารมณ์พอเราผ่านเนวอนได้เนวอนห้าเนี่ยนะผ่านอันนึงมันจะผ่านได้หมดผ่านข้อนึงได้จะผ่านได้หมดทึนได้ไม่ท่าได้ถ้าผ่านได้อันอันอื่นจะผ่านได้หมดเลยเนวอนห้าข้อเนี่ยผ่านได้หมดดังนั้นกรรมฐานของพวกเรานั้นก่อนที่จะผ่านอารมณ์ได้นั้นอาศัยอะไรนี่หลักไหมนี่ นี่เหตุไหมนีสร้้งไม่เหตุเหตุคือสติความรู้สึกตัวของเราตัวนี้สร้างให้เป็นสติปัะฐานก่อนตรงนี้เราจะไม่เข้าใจสอวงพ่อเองก็ไม่เข้าใจซึ่งแต่ก่อนเราพบแล้วเห็นแล้วถึงจะเข้าใจสร้างให้เป็นสติปัะฐานสร้างยังไงการที่เราสร้างสติ ให้เป็นสติปัฏฐานนั่นเราก็สร้างจากสติธรรมดาของเรานี้อย่างญาติโยมสร้างอยู่เด้นี้พระเจ้าประสงค์สร้างอยู่เล้อนี้หรือนักปฏิบัติสร้างสติอยู่เล้อนี้ก็เพื่อว่าเราจะพัฒนาสติตัวนี้ตัวเรามีอยู่แล้วทุกคนสติตัวนี้เป็นสติตามสัญชาตญาณที่เรามีอยู่แล้วแต่สติตัวนี้เอาไปใช้ทางธรรม เอาไปใช้จังทะเนี่ยเอาไปแก้รรปกัญหาตัวเราเนี่ยแก้ปัญหาอารมณ์เกิดจากตัวเราเไม่ได้ถ้าที่ตัวเรามีอยู่เนี่ยเมื่อไม่ได้เราต้องสร้างขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาจนกลายเป็นวิปัสนาวิปัสนามาจากพัฒนาแต่เราพัฒนาทางด้านจิตไม่ใช่พัฒนาทางาด้านวัตถุ ที่เรากำหนดรู้อยู่ บ, บ่อยๆรู้อยู่ บ, บ่อยๆนี่คือเรามาพัฒนาจิตพัฒนาความหลงให้มาเป็นความรู้ตัวกำหนดรู้อยู่บ่อยๆนี้นี่คือเราหาพัฒนาแล้วสติที่จะเอามาใช่กับอารมณ์หรือใช่กับจิตใช่กับความคิดเราได้นั่นสติต้องมีคุณภาพก่อน สตทิที่เราไม่อยู่แล้วนี่นเป็นสติที่ดิบๆอยู่นะขออาภัยที่ว่าดิบๆดิ บ, ดบยังไงสติเนี่ยใจเราดิบๆหรือใจดิบยังไงมันยังไม่สุกหรือยังเหมือนข้าวของเราในหยกข้าวของเราี่ก่อนจะได้กินเนี่ยต้องหุง ก, ก่อนใช่ไหมต้องผ่านไฟก่อน เนื้อปลาแกงเป็นอาหารที่เรามาฉันมาทานเนี่ยต้องผ่านไฟก่อนแน่ทานก่อนปลาเนี่ยเป็นเป็นอยู่มันก็เป็นตัวปลาอยู่แต่ถ้าผ่านไฟแล้วเนี่ยหรือเอาเป็นแกงแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาจากดิบมาเป็นสุกมันก็เป็นแกงเป็นซี่งเป็นย่างเป็นทอดมันผ่านไฟทั้งนั้นมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจากอันหนึ่งอันดิบมาเป็นอันสุก สติที่เรามีอยู่ก็เหมือนกันต้องอาศัยผ่านซะ ก, ก่อนผ่านความร้อนซะ ก, ก่อนต้องอาศัยฝึกไสหัดไสผัดไสเกากก่อนนี่ผ่านผ่านก่อนนี่ผ่านการบำเพ็ญการเผาก่อนการเผาสตินี่ก่อนให้มันเป็นให้มันสุกก่อนนี่ขันตีสติขันตีปารามงัมงตะโพตีติขา พันสิคือความอดกันเป็นทำเครื่องของจิเลศอย่างยิงย่งเราก็สวดกันอยู่สติของเราตัวนี้ต้องเผาก่อนเอามาเผาด้วยการกำหนดรูเอามาเผาด้วยการใช้สติเป็นเป็นตัวเผาเป็นตัวเผาให้จากสติธรรมดาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานดังนั้นสติปัฏฐานนี้ถ้าเป็นแล้วนั้นเราจะพอเราได้สัมผัส ต, ตรงสติปัฏฐานนี้เราจะไม่เกิดความรับรองตรงนี้สนเอง พอจับหลักข้ามะสติได้เนี่ยโอ้นี่เด้สติปัฏฐานที่หลวงพ่อเทียนท่านรู้ท่านพูดท่านสอนพ่อได้ตรงนี้ถ้าเป็นหลวงพ่อเองนั่นจิตจะเปลี่ยนตรงนี้จะสะดุ้งตรงนี้ขึ้นมาทันทีว่าโอ้นี่เด้หลวงพ่อท่านบอกครูบาอาจารย์ท่านบอกมันต่างกับสติธรรมดาอนะมันก็บทางสติสติที่เรามีอยู่แล้วนี้ พอเราจับสติปฐานได้ได้นี้เราได้อารมณ์แล้วที่นี่นิวรณ์นี่มันจะไปแล้วนิวรณ์ห้าข้อนี่ไปหมดไม่มีเหลือโดยเราไม่ต้องไปไปจัดการอะไรเลยสติที่เป็นสติปฐานเนี่ยเป็นสติที่เราอาศัยได้แล้วนั่นมันบริสุทธิ์ สติที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันเป็นอาหารของจิตเป็นอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารอาหารคืออารมณ์นะอาหารคืออารมณ์คืออินทรีย์เมื่อเมื่อจิตเราได้รับอารมณ์ดีได้อินทรีย์แก่ดได้มันก็ผ่านได้ทุกทุกทุกด่านมันก็ผ่านได้ทุกด่านจะเป็นนิวรณ์ก็ก็ต่าง จะเป็นอะไรก็ตามมันจะผ่านได้พอเราได้สติปัฏฐานพ็จับหลักได้นี้เราจะเห็นได้เลยเราว่าอ๋อระหว่างความคิดกับสติคนละอันกันดินความคิดก็อยู่พอความคิดสติก็อยู่พอสติมันจะมั น, มนเราจะรู้แล้วยแยกแยกออกเองที่แยกนี่อะไรแยกปัญญามันแยกไม่ใช่คิดแยก ปัญญาเข้าไปเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมันถูกแยกโอตวนสิสติตวนิความคิดเราก็จะลู้ต่อไปเอกว่ามิตของเราคือคืออะไรระหว่างของอันเนี่ยระหว่างความคิดกับ ส, สติอะไรเราเป็นมิตแก่เรานมิตนิมิตนี่เห็นนิมิต ม, มันเห็นหลายเห็นถ้าเราเข้อเห็นตรงนี้คือเห็นนิมิต เราเห็นแล้ววัาสิเป็นมิตรของเราความคิดเป็นศัตรูของเราเห็นแล้วเห็นแล้วที่สูดได้อีกว่ามิตรคือสติพอมีความคิดเรามีสติความคิดไปแล้วจะคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหรือปัจจุบันก็ตามสติ จะเป็นผู้แก้เองเราไม่ต้องไปแก้พวามมีสติมันแก้ของมันเองแล้วตรงนี้ก็น่ากน่าอัศจรัยพอเราได้สติเดี๋ยวโอ้มันแก้ของมันเองอล้ทีอารมณ์ไหนเกิดขึ้นมาแก้เองแล้วแก้เองเมื่อเป็นอย่างนี้พอเราได้สติตรงนี้แล้วนั่นก่อนหลวงพ่อความเสียงก็พูดว่ามีสติเหมือนมืออาวุธอยู่ในมือ มือเอววดไม่กลัวอะไรนะศัตรูอะไรต่างๆไม่กลัวท่านบอกท่านสอนท่านเทศให้ฟังมีส ต, ติเหมือนมีลมอยู่ในมือฝนตกตางลมก็ปลอดภัยพอเรามีส ต, ติเราก็ไม่กลัวต่ออารมณ์เพราะอะไรเพราะเรารู้จักแล้วรู้จักที่เปลี่ยนแล้วรู้จักที่แก้แล้วมิตรข้งลอยแค่ด้อส ต, ติ กลับมาหยกความกลับมายกกับความรู้สึกส่วนตัวสติความคิดมันก็ไปเองจิตของเราในมีจิตเดียวเงี้ยของกรรมกรรมฐ า, านอารมณ์เรามีอารมณ์เดียวไม่ใช่เหมือนอภิธรรมเด้จิตเก้าสิแปดวงจิตร้อยสิดวงอภิธรรมต่ากรรมฐ า, านมีจิต ด, ดวงเดียวถ้ามีคิดอยู่ตัวรู้สึกก็ไม่มีตัวสติก็ไม่มีถ้ามีสติอยู่ ความคิดก็ไม่มีสังเกตสังเกตดีๆมีจิตเดียวเท่านั้นละมีอารมณ์เดียวเท่านั้นเราดูดีๆเราดูดีๆพอเราจับตรงนี้ได้จับสติปัฏฐานได้แล้วนั้นอันตรายของพวกเราเนี่ยคืออารมณ์อันตรายของพวกเราคืออารมณ์ดังนั้นก่อนที่เราจะผ่านอารมณ์ทุกด่านได้เนี่ย เราต้องหาอาวุธก่อนเราจะเข้าสงครามต้องหาอาวุธเราจะเข้าป่าหารเนื้อหาปลาต้องมีต้องมีอาวุธก่อนเราจะไปหาปลาในน้ำก็ต้องมีอาวุธมนเครื่องมือก่อนนักกรรมฐานเราก็ต้องมีอาวุธก่อนอาวุธประหารปราหารจิเลสเนี่ยมีก่อนดังนั้นอาวุธของพวกเราจะผ่าน จะประหารประหารกิเลสหรืออารมณ์นั้นคือสติปัฏฐานสี่สร้างสติปัฏฐานสร้างสติให้เป็นสติปัฏฐานก่อนนี่นี่คือเราได้อาวุธแล้วเมื่อได้แล้วนะั้นเราจะไม่กลัวเลยอารมณ์จะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์กามแม้แต่ความคิดเราก็ไม่กลัวเหตุที่ไม่กลัวเรารู้แล้วเราไม่ใช่แก้แล้วแต่ก่อนเราเป็นทาสของมัน ถือความคิดถึงกิเลสเนี่ยดึงไปตรงไปทีนี้เราไม่เรารู้แล้วกิเลสความคิดจะมาทำลายเราไม่ได้เรารู้แล้วเห็นหนะ้าเห็นตาเธอแล้วเหมือนผู้รายจะขึ้นบ้านเราเนี่ยถ้าเราเห็นมันไม่กล้าเอาของเราหรอกเหมือนเราเผลอมันจะไปเอาของเราได้ของอยู่บนบ้านเราได้ตัวสติกับอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์จะมาปรุงกิจ ตัวสติจะรู้ทันทีไม่เอาไม่พบตัวนั้นมันเป็นทุกข์ตัวนั้นคือความหลงตัวเห็นความหลงเนี่ยสุดยอดเลยนักปฏิบัติขอให้ไปเห็นความหลงหลวงพ่อเทียนจะเห็นความคิดหลวงพ่อจะจะพูดว่าเห็นความหลงพอหลวงพ่อไปเห็นความหลง พอเราเห็นความหลงเนยโอ้ทุกอย่างมันหลงก่อนก่อนจะคิดมันหลงก่อนก่อนจะกดมันหลงก่อนก่อนจะการ ม, มันหลงก่อนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นอารมณ์มันหลงก่อนพอเราเห็นความหลงเนี่โอ้ได้คาสอบสบายขึ้นบอใจสุดขึ้นกายก็พสใจ วาจาก็บริสุทธใจก็บริสุทโอ้สินสมบูรณ์แล้วโอ้ตรงนีเ้เด้สินไม่สมบูรณ์ก็เพราะความหลงกลมาที่ไม่มั่นคงก็เพราะความหลงปัญญาไม่เกิดก็เพราะความหลงโอ้เนี่เราครอบกับความหลงมา ก, ก่อนครบมาตั้งแต่เราเกิดมาเอาความหลงเป็นมิตร เอาความผิดเป็นมิตรเอาความโลภความโกรธเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ความโกรธความโลภความหลงเป็นพ่อเป็นแม่ของกิจวิญญาณของเรามาตลอดพอเราม่เห็นรู้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เอาไม่เอาไม่อยู่กับท่านนี้ไม่อยู่กับแกอีกแล้วพ่อแม่ยังไม่เอามันเห็น เห็นอารมณ์เห็นจิตเห็นจิตเห็นใจเจ้าของเห็นอะไรก็ก็แล้วแต่ยองรู้อะไรมามากมายก่ายกองก็ตามตัวเรามารู้ตัวเองไม่ได้เรามาเห็นตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองโอ้เห็นอะไรบ้างเห็นกายตามความเป็นจริงอาษาภาก็เห็นรูปพระธรรม เห็นใจตามความเป็นจริงเห็นนามพระธรรมตามความเป็นจริงก็เห็นอย่างนั้นแต่ก่อนนี่เรานี yeah. ่มีรูปพระธรรมกอมีกายเราก็ทุกข์เพราะกายเรามีใจแล้วก็ทุกข์เพราะใจเพราะว่าความหลงเป็นเป็นผู้นำความหลงออกหน้าหลงเมื่อใดมันทุกเมื่อนั้นเราก็ไม่รู้เช่นความโกรธเราก็รู้ว่าันไม่ดีอยู่ ก็ไม่เป็นทุกข์อยู่แต่เราก็สนองมันอยู่นั้นคือเรายังไม่ฉลาดความฉลาดเรายังไม่พอความฉลาดเรายังไม่พอเมื่อเราฉลาดแล้วเรารู้แล้วนั้นเราจะไม่สนองเราจะมไม่สนองความหลงเราจะไม่ตามความหลงเพราะเราเพราเราฉลาดแล้วนี่ตรงนี้เรียกว่าอินทรีย์แก่ก้า อินทียกแก่ก้าเนี่ยเขาแก่อินทเแก่อินเสกคือตาหูจมูกเล่นกายใจรูปรูปกยังกินรสสัมผัสสองอย่างกระทบกันนี่เราลู่ตรงนี้บ้างไวยเดี๋ยวนี้กระทบทีไรเราไปกับเขาทุกทีไม่ชนะศักรีแพ้กับแพ้แพ้มากี่ปีกี่เดือนมาแล้วแพ้แต่เราเกิดมาจนตายพ่อแม่เราตายไปหลายแล้วก็ยังแพ้อยู่นี้หลงเกิดเราอย่าไปหลงตายนี่ ถ้าเรามีสติจะเป็นผู้ไม่แพ้จะเป็นผู้ไม่แพ้เนี่ยไม่แพ้เพราะไม่แพ้เพราะเราฉลาดตัวฉลาดคือตัวปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาวิมุดริมุดหลุดพ้นไปหลุดพ้นไปเราไม่คล่องอย่าให้มันคล่องอารมณ์ของเราอย่าให้คล่องอย่าให้คลองสักอย่างให้ผ่านได้ทุกอย่างให้ผ่านได้ทุกทุกขอ้เอเกิดจากตาให้ผ่าน เกิดจากหูให้ผ่านจากบุกเล่นกายใจให้ผ่านอย่าให้หมักอยู่ดังนั้นนักปฏิบัตินี่อย่าไปจนหลวงพอ่อโอ้หลวพ่อจนมาก่อนหลวงพ่อหลงมาก่อนหลงมาหมดแล้วหลงมาก่อนแล้วหลวงพ่อลำเลียงมาโอ้ปีนั่นก็หลงปีนี่ก็หลงพอสอั้นี่ก็หลงหลงอารมณ์นั่นหลงอารมณ์นี่หลงอยู่ทึ้งหลงมากก่อนพอเรามาเห็นความหลงนี่โอ้ เกือบเนาะเกือบตายไปซื่อเนาะเกิดมาตั้งชาติหนึ่งตายไปซื่อเด็กเขาเห็นความหลงโอ้ยมีกําไรในการเกิดแล้วเรามีกําไรแล้วในการเกิดมาข้า ง, างนึงเหมือนเราค้าขายอยูโอ้ค้าขายได้กําไรโอ้ได้กําไรแล้วลำทำนาเราได้ผลผิดโอ้กําไรแล้วเราปลูกของในไร่เราได้ผลผิดโอ้กําไรแล้วการปฏิบัติทําการจเจริญเศรษฐีมันมีผล พอให้เราลูกพอให้เราลูกคือกําไรชีวิตกำไรชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงอื่นแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเออไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นเที่ยวสนุกสนานเป็นกําไรชีวิตอันนั้นเรื่องของสมมุติบัญชีไม่ใช่หลักปฏิบัติบัญชีอันนั้นก็ไม่ก็ไม่ปฏิเสธเป็นสุกหนึ่งนี่ไม่ใช่สุกกินเนี่พอแล้วอย่างนี้เราเห็นเลยโอ้กาไรชีวิตอยู่ตรงนี้นั่นดังนั้นให้เราเนี่ย พอเราได้สติจับสติได้หลักอารมณ์มันจะเกิดขึ้นมานะอารมณ์จะเกิดขึ้นมาพอถลาเราผ่านนี่วันแน่แน่วมันจะมีอารมณ์มาร่วมอารมณ์ที่มาร่วมเนี่ยมาเกิดวิจารมานี่ไปไหนจะวิการทํามาไปหมดดูดูเด็กทะลุคนถึงคนแก่ดูคนแก่ทะลุถึงเด็กทะลุถึงอะไรอย่างไงโอ้ ยอมนี่แกแกเนี่ยแม่ก็เท่าถือเนี่ยแต่ตอนเป็นเด็กแต่อนเป็นเด็กเนีโน้มมาใส่ตัวเราโอ้เราก็เหมือนกันเราก็ถ้าไม่ตายก่อนจะต้องแกอย่างอย่างยมนี้อย่างคนนี้มันดูเป็นไดหมดนี่ดูเด็กทะลุผู้ใหญ่เห็นเด็กที่น่ารักหน้าเอใข่เนี่ยพอดูไปดูมาดูด้วยปัญญาโอ้ทะลุไม่นานก็ต้องแกเหมือนเหมือนกันต้องแกเหมือนคนนี้ อะไรอะไรเป็นมีทำมาไปหมดนี่คือวิจารอารมณ์ขการถามจะมีวิตกวิจาร์ปีติเอตรกตาสุขนี่คืออารมณ์ดังนั้นอารมณ์นี้ถ้าเราไม่มีอาวุธจะติดมันทันทีถ้าเรามีอาวุธจะผ่านมันได้ทุกทุกอารมณ์ตรงนี้อยากจะฝากเป็นกันบ้านเอาไว้ แล้วเราพระคุณเจ้าหรือญาติโยมฝากเอาไว้เรามาปฏิบัติเราได้อาวุธอะอย่างถ้าเราไม่มีอาวุธเนี่ยถ้าไม่มีอาวุธคือสติสติปฐานแล้วนี่คืออาวุธถ้าได้อาวุธแล้วเราจะผ่านอะไรทุกอารมณ์พอเกิดอารมณ์ที่จกวิจารแล้วนั้นนักปฏิบัติตรงนี้จะจะว่าเเอ๊ะผมทำไมชิดมากแท้วันนี้ มาไหลเดินน้ำพมอยู่กับไหลไหลกับความคิดเทศเรื่องนั้นเทศเรื่องนี้นีเ่เดี่ยเราจะว่าเราจะว่าเป็นความคิดแต่ที่นี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราไปบังคับให้มันคิดจะมีปัญหานะตรงนี้นะถ้าเราบังคับให้มันคิดมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีหนึ่งปดงวดหัวสองบอเบื่อเต็มเครียดในอารมณ์เมันไม่ใช่ความคิดธรรมดา มันเป็นปัญญาของอวิตกวิจารังหาออกจากวิตกวิจารแล้วนี้ออกจากวิตกวิจารแล้วเนี่ยจะไปเข้าสู่อารมณ์อดีตอดีตที่เราผ่านมาทุกอย่างเนี่ยแต่รูปภาษาคนมจะเอามาหมดเราลืมแล้วก็ชิดมาหมดทำบาปอยู่ไหนทำบุญอยู่ไหน เราจะรูปมดุดทาชั่วทําผิดทาถูกรูปหมดตรงนี้หลวพ่อเคยเห็นพระที่มาอยู่ด้วยตรงเนี้ยถ้านักปฏิบัติอย่าไปชิดเอานะเห็นอดีตก็อย่าไปอย่าไปชิดเอาให้ไปพบเห็นจริงๆเห็นตรงนี้พวกติดยาเสพติดมาเนี่ยจะเลิกตรงนี้เลิกแล้วคือเห็นเราสอนเราเองสติสอนเราแล้ว หรือเราเคยกโกรธเคยเกลียดเคยมาโหรมาแพ้อารมณ์มากตรงเนี้ยสติจะสอนเราแล้วเราจะเลิกเองคนเรานั้นทุกคนรวมตัวหลวงพ่อด้วยคนอื่นสอนไม่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนก็ไม่ฟังอยู่แต่ไม่ทำตามถ้าเราสอนเราเองแล้วนั้นยอมเลยนายมยอมรับเลย อะไรอะไรก็สู้เราสอนเราไม่ได้หลวงข้อเทียนกาบตัวเองเพราะเพราะว่าเราท่านเห็นท่านเห็นสติสอนเราสติสอนเราดีกว่าพ่อกว่าแม่ดีกว่าครูบาอาจารย์สอนอีก น, นี่คือสติกับปัญญาเป็นคู่กันแล้วปัญญากับสติสมาธิรวมกันแล้วสอนเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสติเหมือนเงาตามตัว สติจะติดตัวของเราไปถ้าสติเป็นเองแล้วโดยในกําหนดสติก็เหมือนเงาตามตัวจะติดตัวเราไปตลอดไปอยู่ไหนใช้ชีวิตกับสติแม่ตะกับพระธรรมวัดปากมับมับอยู่ก็รู้กาหนดอยู่ที่ปากเดินไปไหนมาไหนจะรู้อยู่ที่กายคือตลอดเวลานี่คืออารมณ์แรกรู้อยู่อย่านี่คือกายญานุปันาติปทานคือตรงนี้นี่ เราจะว่าอารมณ์รูปนามก็ตรงนี้ตรงสติที่มันเป็นเองแล้วนี้เลยไปกาหนดนี่ก็ออารมณ์รูปนามอารมณ์รูปนามเนี่ยเป็นคำพูดนะเข้าใจรูปนามหรื อ, อยังนี่เป็นคำถามคำตอบถ้าสติยังไม่สมบูรณ์นั้นสติไม่ต่อเนื่องนั่นยังตอบจากสัญญาอยู่คือตาบตอบจากความจำใครก็จำได้เราเพิ่งกาจำได้แต่ก่อน จาได้เลยตาเห็นรูปตาเห็นเป็นรูปรูปเป็นนาเสียงเป็นรูปรูปเป็นนาจจำได้หมดอันนั้นเราเห็นด้วยสัญญาเท่านั้นรู้ได้แต่แค่สัญญายังไม่ถูกยังไม่สมบูรณ์นะยังไม่สมบูรณ์เราต้องรู้ด้วยปัญญารู้ด้ยปัญญารู้ด้ยปัญญาที่สุดได้อีกที่สุดได้ พอความโลภเกิดมามีสติที่สูดได้แล้วที่สูดได้แล้วไปได้แล้วเดี๋ยเราไปห่องเราไปค่องกลับอารมณ์ทุกอย่างนี่นี่คือของจริงหลวงพ่ะเชียนสอนของจริงของพวกเราแต่เราจริงจังหรือไม่เราเห็นแล้วหรือยังของจริงอเรารูบแล้วหรือย่างหรือหากว่าจะได้แต่รูปแบบการเดินโยมกลมการยก ม, มือสั่นก็เป็นเพียงรูปแบบ ตัวปฏิบัติจริงๆคือตัวกิจตัวใจที่เห็นอารมณ์คือตัวตั ว, ตวกิจมาเห็นกายตัวปฏิบัติจริงๆถ้าตัวกิจมาเห็นกายตัวใจมาเห็นกายกายกับใจจะอยู่ด้วยกันกายอยู่ในใจอยู่นั่นกายทำอะไรใจอยู่นั่นที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารูปทํานามธรรมพอจะอธรรมรูปทําอะไรใจทำด้วย กายกระใจอยู่ด้วยกันนี้นี่คือหลักนี่คือหลักนี่คือที่มาคือเหตุเราเยืนหยยดอยู่กับเหตุส่วนผลนั้นไม่ต้องอยากรู้ก็รู้เองเพราะความเป็นเองมันมีเราทุกคนไม่ปฏิเสธไม่ได้ความเป็นเองมันมีเราทุกคนเลยเป็นเองแท้ๆแต่เราเราจะเห็นได้ทุกอย่างมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีที่เราไม่มีเนะี่ย เรายังไม่ถึงเช่เรายังไม่รู้ถึงจุดนั้นเราก็ลังเดินทางอยู่กำลังเรียนอยู่ยังไม่จบถึงจุดนั้นไม่ถึงคอดนั้นเท่านั้นเองถ้าเราถึงแล้วโอ้ยไม่รู้หนังสือสักตัวก็ก็รู้ได้ตลวพ่อเองเนี่ยไม่เรียนหนังสือไม่ไม่จบท่านป .4 เนี่ที่ไม่จบเพราะอะไรเพราะพ่อตายตั้งแต่เด็กไม่มีใครอยู่กับแม่ แม่อยู่ก็ยายสองคนตาก็ตายแต่นานแล้วเลยได้ทำการทำงานรับผิดชอบครอบคัวมาตั้งแต่ดเด็กเรื่องว่นเรื่องวัยมาเขียนหนังสือก็ไม่ถูกตัวเน๊ะแล้วเขียนในบางทีผ้าใหม่ๆท่านจะเห็นโอ้หัวเลาะเลยบางทีเท่านก็เปลี่ยนให้นี่แต่ถ้าหากว่ามาเรียนกรรมฐานถ้าไม่พูดได้ถ้าไม่รู้ได้ เพราะว่าเรื่องของกรรมาฐานเรื่องภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ตำรับตาลานะมันไม่ใช่ตำลับตาลาที่จะเรียนเอาเป็นการปฏิบัติเอาให้รู้เองเห็นเองเขาจะเองเป็นปัจจัดจังพอเราจับหลักได้มันไปเองเลยไปเองรู้ไปเองรู้นั่นรู้นี่ไปเองเออพระเทียนท่านบอกพวกเรานั่นน่ะ มันรู้เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเ น, นี่ยครูบาอาจารย์ว่าโอ้รู้ทารู้อย่างเดียวตอน่ะไม่มีขั้นมีตอนไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ถูกเดี๋ยวลงเทียนก็ยังรับรอ ง, อง เ, ป เ, ปเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นขั้นอยู่ฟังดีๆเด้อฟังดีๆฟังครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะพาเขะก็ ไ, ได้เรื่องของอารมณ์มันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนพาเขะก็ ไ, ได ดั ง, งนั้นการเจริญเสด็จภาวนานั้นที่สูดไปดอกพิจารณาไปด้วยทําไปด้วยอย่าทําซื่ อ, อให้เราที่เจรณาไปโอ้อารมณ์นี้เป็นเพราะมีสติโอ้เพอามีสติมันก็หายหายง่วงพราะมีสติมันก็หายโกรธพอาะมีสติมันก็ก็หายหลงโอ้มันสตินี่เด้พิจารณาได้เราใส่ใจเราสังเกตไปด้วยอย่าอย่าฉลาดซื่อ เฉยๆได้ยาฉลาดอย่าฉลาดเฉยๆให้เฉลียวใจไปด้วยให้เฉลียวใจไปด้วยอย่าฉลาดเฉยๆการยกมือสร้างหรือการเดินนมกลมฉลาดทำแต่บวกพร่องการเฉลียวใจยกมือขึ้นรูปจริงไหมเนี่ยมันรู้กี่เปอร์เซ็นต์รู้ห้าสิบคิดห้าสิบหรือก็ยังดีเนี่รู้รู้เกตสิบหรือคิดสามสิบเลโอ้เราจะมีตัวปัจจุบัน ความสงบจะเกิดมาะถ้าแปดสิบถ้าเก้าสิบเปอร์เซ็นโอ้จับหลักไลยทันทีว่าโอ้สติตัวนี้แก้ปัญหาใ้ทุกอย่างกลับมาอยู่กับสติโอ้ปลอดภัยเอีออ่ปลอดภัยกลับมาอยู่กับสติตัวกลับมาอยู่กับสติคือตัวปฏิบัติปฏิบัติคือกลับกลับจากคิดมาเป็นความรู้สึกกลับจากหลงมาเป็นความรู้สึกก็รู้สึกตัวตัวนี่คือตัวฐากายานุปปานติปฐานคือตรงนี้ รูปนามก็อยู่ตรงนี้อันเดียวกันไม่ใช่ภาษาพูดนะเนี่ยภาษาเป็นเป็นรูปนามจริงๆคือสติการรับผิดชอบอยู่ที่กายนี้ค่ะลมรูปนามส่วนสติรับผิดชอบอยู่นะครับ ก, การกระทบสัมผัสรูปตาหูจมูกเลื้องกายใจอันนั้นเรียกว่าเวทนาอนุปัฏนา เราอย่าไปศึกษาธรรมะอย่าไปลรอนอย่าไปรู้ก่อนรู้เห็นก่อนเห็นทำไปจักริกายานุปัสตรานิพพติรู้โยกกายรับผิดชอบเป็นเองแล้วได้กําหนดนี่คือกายานุปัสตร์เดปัชานคืออารมณ์รู้ํารูปน้ําอยู่ตรงนี้เป็นเลยออย่างเราเป็นไหมเป็นสติรู้ต่อนื่องไหมวันเทิงวันอยู่กับสติคืนนั้นคืนนี้นอนตื่นขึ้นเรียะรู้แล้วทิศชิงคือตัวรู้แล้ว มันรูรอบตัวรูรอบในกองสการ์ชือรูรอบตัวเลยใ น, นรูเองรูเองเไม่ใช่เราแก้งเทใส่แซงอะไรมันรูเองมีจริงนี้แท้ๆไม่ใช่ไม่มีนี้คารู้อย่างนี้คือกา ย, ยานุปนัฏฐานเราเรารู้อย่างนี้เวทนานุปทานเดียบฐานกระทบตากระทบกับรูเราสิดไหมผ่านได้โอเวทนาเราเราใช่ได้แล้ว กับเสียงกับกลิ่นกับรสเราผ่านได้ผ่านได้แก่ก่อนแล้วเป็นผู้แพ้เสียงเราก็แพ้เขาพูดมาเข้าหาใจเสียงเข้าหาหูก็ส่งไปหาใจใจคุณแล้วแพ้อยู่เราแพ้อยู่ตัวเวทนาต้องหักอย่าไปใช้คำพูดเวทนาจิตตาทำมามันเป็นคำพูดให้เราไปทาเอาให้เป็นให้มาเกิดเอง ตัวเวทนาเนี่ยต้องต้องต้องเรียนเหมือนกันต้องหัดเหมือนกับกายานุปัฏฐนาหัดยังไงการกระทบเนี่ยเราไม่ไปฏิเสธนะนักปฏิบัติบางคนบางท่านหนีไปอยู่ในไกลๆจากสังคมไปอยู่ในป่าชาไปอยู่ในปา่าในดงป่าทรากรูปเสียงกินเราสัมผัสอันนี้อินทรีย์จะไม่แก่ความสวบได้กิงแต่อินทรีย์เวลากระทบ จะไม่ทันเราต้องหัดกระทบบ่อยๆกระทบบ่อยๆกระทบเรื่อยๆจะหลงไหมเนี่ยกับรูปจะหลงไหมดูเดื่อยๆครูบาอาจารย์ทาวีปยกรท่านจะบอกเวลาจักอาหารเราหลงกับกับที่เราชอบไหมดูมันไปด้วยสังเกตทุกอย่างกับเสียงเขาด่าเขาว่ามาเนี่ยรับได้ไหม แต่ก่อนเรารับเมยได้หลวงพ่อเองก็เหมือนกันแต่เขาหูพ่อออกปากและวนี่รับเมยได้แต่พอเรามีสติมันรับได้รับได้ฟังได้รู้ได้ไม่ฟังได้เฉยๆทาความสะอาดของจิตไม่ให้จิตตะกบกนี่ไม่ให้นุมไม่ให้นิมนต์ทินอยู่ที่จิตอารมณ์ที่ค้างอยู่ที่จิตนั่นคือมนเ์ทนของจิตนะนั่นคือมนเ์ทนของจิต เราอย่าให้ข้างอยู่ตรงนั้นทําสะอาดซะก่อนการทําความสะอาดจิต ก, ก็คือกลับมาหยุดความรู้สึกตัวตัวรู้สึกตัวตัวรู้รูู้เนี่ยเป็นตัวบริสุทธิ์ผุดองตัวสะอาดเม่อ ส, สภาวะพุท ธ, ธะือรู้ให้เราอาศัยพุท ธ, ธะแต่เราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะแต่สภาวะพุท ธ, ธะมันมีแต่คนทุกคนนี่ถ้าหากว่าใครไม่สร้างขึ้นนี่ จะไม่เห็นสภาวะนี้ผู้ใดสร้างขึ้นผู้นั้นจะเห็นที่ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นตรงเนี้ยเห็นตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นตรงนี้เราสร้างก็เห็นสภาพพระพุทธามันมีอยู่หรือว่าธาตุรู้ก็ว่าได้วิญญาณตัธาต์นะธาตุของเรามีหกธาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมธาตุห้าอากาศตัธาตุธาตุหกคือวิญญาณตัธาตุวิญญาณตัธาตุถูกกบเปื้อนนะหรือธา ตัวรู้สึกตัวสภาวะพุทธะถือกบไว้เราไม่ให้โอกาสเลยการเจริญสติของเราเพื่อให้โอกาสให้โอกาสธาตุรู้ตนให้โผล่ขึ้นเหมือนดอกบัวจะโผล่ขึ้นน้ําให้สภาวะพุทธะอยู่ในจิตของเราเนี่โผล่ขึ้นเราจะเลืิญนสติแต่ละครั้งละครั้งเราเรียกร่องแล้วเรียกร่องพุทธะมาแล้วเรียกร่องวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ตัวนี้มาแล้วตัวรู้สึกรู้สึกรู้สึกในโยม ดังงั้นตัวรู้สึกซื้อรู้สึกเกเฉยตัวนี้เป็นมิตรของเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเป็นที่อาศัยของเราคือตัวนี้ไอาศัยทางจิตวิญญาณอาศัยตัวนี้หเราสร้างตัวนี้ขึ้นสร้างขึ้นสร้างขึ้นสร้างขึ้นพอมากเข้ามากเข้ามากเข้าเป็นพุทธะสภาวะที่อยู่ในจิตมีอารมณ์อะไรขึ้นมาเออเข้าไปอยู่กับสติตัวสติกับตัวสภาวะพระพุทธอันเดียวกันสติเป็นเป็นผู้หา อาตภาพวัตถะสติเป็นเป็นเป็นผู้หาวิญญาณตถาตคือธาตุรู้เอี่สติเป็นผู้หาเมื่อสติกับาธาตุรู้กับธรรมะประเห็นกันแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้าธาตุรู้เนก็ษาคือธาตุรู้เนีมันเป็นสมมุติพูดกับภาวะพุทธถะก็เป็นสมมุติพูดสติก็เป็นสมมุติพูดเด้สติจริงจริงโอ้คือเราสัมผัสเอารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน รวมไปเหนือก็รับผิดทชอบเดียวกันเรื่องอารมณ์เกิดมาจากกิจสภาวะธาดุรู้เนี่ยสภาวะพุทานรับผิดชอบเพราะว่าเป็นเป็นเองกับสติแล้วรวมลงเป็นสติแล้วสภาวะทธะรับผิดชอบไถ่ถอนความเป็นาธาตุของอารมณ์กิจเข้าไปหาอารมณ์นี่เช่นความโกรธไถ่ถอนออกมาโอ้มันเป็นทุกข์อย่าไปอย่าไปอย่าไปสกรปรกบาปเกิดกิจแล้วบาปเกิดทิ้นแล้วบาปเกิดทิ้นแล้วเห็นทันที ไทถอนออกมาอย่างพระแสดงอาบัติน่ะพระคุณเจ้าว่าจะปากหรื อ, อยังไงนับปู่ในวังกระลิษสามีนปู่ในวงพาสิตนับมุสามีนับปู่นนปในวังกินจายสานี้เราแสดงอาบัติอ่แสดงพระอาบัติยู่นูนนี่นับปู่นนปในวังพาสิตสามิแม่ตาไายเราก็ให้แตะต้องอาบัตินับปู่เอวังพาสิตสามี แม้แต่วาจาเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับอา บ, บัต น, นับปุ่นับปู่ในวังกินตาเยสานี้แม่เกิจก็ไม่ไปตัวกระโปง ก, กับอา บ, บัต น, นี่นะครับความแปลของความหมายพระพุทธเจ้าออกมาอย่างนี้ยาว่าเจ็บ ป, ป่าให้เราทําได้ด้วยนี่ดังนั้นเราต้องฉลาดฉลาดรูปฉลาดดูทีแรกเราดู กำหนดรูปอยู่ที่รูปนามเนี่ยก่อนรูปรูปนามคือรูปกายดูกายเนี่ยไม่เห็นแต่กายเฉยๆได้ถ้าหลวพ่อเห็นเห็นอสุภะก็เห็นเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นจะเห็นกายเน่ยอสุภะคือเห็นความไม่งามของกายอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามเห็นความไม่งามของกายเห็นแล้วเห็นถอนออกมาทันทีเห็นเลยถอนโอ้โองานอยู่ตรงไหน ปัญญามันจะไปแผ่ไปแยกแยะออกมาเลยงานตรงไหนเดี๋ยมันดูทะลุทะลวงเลยงานผ้าเสื้อหรือเห็นเลยความจริงพวกเราเอาสิ่งอย่างอื่นไปกบเกือนธรรมชาติเอาไว้เอาเสื้อเอาผ้านี่ไปกบเกือนเอาไว้เอาวัตถุไปกบเกือนกายของเราเอาไว้จนไม่เห็นตามความเป็นจริง เห็นเป็นสวยเป็นงามไประแต่ถ้าปัญญาไปเห็นมันไม่เห็นอย่างนั้นมันไม่เห็นอย่างนั้นไม่เหมือนตาเนื้อตัวนี้เห็นตาเนื้อตัวนี้เราเห็นเน่ยโอ้เห็นงามเห็นสวยไปหมดเนี่ยเห็นชิ่เลเห็นชิเลไปหมดตาปลอมตาไม่จริงแต่ถ้าตาปัญญาเห็นจริงเลยเน่ยไม่มีงามนี่คือเห็นอสุภะเห็นความไม่เที่ยงก็เหมือนกันเดียวท่านบอกว่าให้เห็นทุกขังในจังรนัตตานะ เห็นเดี๋ยวเห็นภาษารเร า, าเทีิอนสอนเราเนะี่ยพอเข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยนะจะเขา้าเข้าใจรูปธรรมนำธรรมรูปโ ล, ปลกนำโลกเข้าใจทุกครั้งในจังกันตาเข้าใจสมมุติเนี่ยเน่เข้าใจบาปเข้าใจบุญเข้าใจศาสนาพุทธศาสนาถ้าหกอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์รูปนามหมดเห็นะนหมดเห็นเข้าใจหมดเห็นนะ ดังนั้นอารมณ์รูปนามจะเห็นครบถ้วนหมดเรื่องของกายจะเป็นเวทนาของกายก็รู้ก็รู้หมดเวทนาเกิดจากกายไม่ปฏิเสธเห็นจนว่าทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเนี่ยเราเห็นว่าเป็นความไม่เที่ยงแต่ปัญญาเห็นเนี่ยโยมมันจะเห็นเป็นความเที่ยงเลยหลพ่อหลวงพี่ตัวอาจารย์ผมพูดอย่างงี้ เห็นว่าทุกขังในฌานเป็นของเที่ยงจะ ต, ต่อต้านขึ้นมาทันทีเลยเที่ทยงยังไงเราดูว่ามันมันมันมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกอย่างยังไงมันเที่ยงนะครับดูตามปรมัทิตบัญญัติมันเที่ยงคําว่าเที่ยงเนี่ยยังไงคุกเนี่ยมันแน่นอนเลยมันเป็นอยู่แล้วปฏิเสธไปได้มีอยู่แล้วนั่นคือเที่ยงอริ จ, จังเนี่ย มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างงั้นตลอดเวลานี่คือมันเที่ยงอนัตตาก็เหมือนกันมองดูอย่างสมมุติบรรญัติเห็นความไม่เที่ยงแต่มองปรมัญญัติเห็นความเที่ยงความตายเนี่ยเป็นดูอย่างนั้นโยมใครก็ต้องตายหลวงพ่อก็ต้องตายพระุทธเจ้าเร า, าก็ต้องตา ย, ตตายนี่คือมันเที่ยงความแก่มันก็เที่ยงใช่ไหมโยมเที่ยงนี่ยใครไม่แก่นี้ไหมนี่แต่กอ่อนหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่แก่ญาติโยมก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันแก่ เนี่ความเจ็บมก็เที่ยงเด้ความทุกข์ล่ะเที่ยงไหมคนนั่นก็เกจ็บคนนั่นก็ปวดมีทุกคนใช่ไหมโยมนี่มันเที่ยงมองปรมัจิบัญญัติมันจะเที่ยงแต่มองในสมมุติบัญญัติมันไม่เที่ยงสองอย่างนี้เราศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจสมมติบัญญัติปรมาจิบัญญัติมันเป็นหลักของกรรมฐานเคยเราตั้งกรรมฐานนั้นท่านจะยกทำมาพอใจรักเห็นความไม่เที่ยงยกกายขึ้นมาดูเห็นความไม่เที่ยง นะกายเนะี่ยยกขึ้นมาอะไรทุกครั้งในจารตาเนี่ยยกขึ้นมาดูที่ยกแต่ไม่ใช่เอามือยกนะเอาจิตเอาปัญญาไปดูไปยกขึ้นมาพิจนารณาเนี่ยเห็นอะไโอ้ความมาเที่ยงพอดูของมาเที่ยงว่ามันมาเที่ยงจริงละวรูดแก้งแล้วว่ามันเทียเท่ยงดูไปอีกมุมหนึ่งมันเที่ยงโอ้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เด็ปฏิเสธพวกก็ปฏิเสธไม่ได้นี่ปฏิเสธความไม่เที่ยงก็ปฏิเสธไม่ได้ ไปเตะความเป็นอนัตตามันเป็นอยู่อย่างนั้นเองก็ปฏิสเสธไม่ได้ไปเตะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครปฏิสเสธได้นี่คือมันเที่ยงมองมุมหนึ่งมันจะเที่ยงปัรรษษตญาสัจจะมันเที่ยงของจริงมันมีอยู่อย่างนั้นแล้วสติของเราก็เหมือนกันมีอยู่แล้วเนี่ยมีเราทุกคนเป็นแต่ละเพียงเพียงแต่เราสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้เป็นสติ ให้เป็นปัญญาให้เป็นสมาธิรวมหนึ่งเดียวกันพอสมาพอสินสมาธิปัญญารวมหนึ่งเดียวกันแล้วนั้นนี่เราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยโอ้มีจิดเดียวเท่านั้นเด้การเรียนโูกกรรมฐานก็จะง่ายนะหนึ่งเราดูกายตายเคลื่อนไหวประมาณเราก็กำหนดรู้มันจะรู้ของมันเองมันจะรู้ของมันเองสองดูกิต จิตก็ไม่นาทีคิดเรื่องอะไรเรื่องเนี่รับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาโอ้ธรรมชาติธรรมชาติของกายก็เป็นอยู่อย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนไปมาอยู่อย่างนี้มีทุกข์อยู่อย่างนี้ธรรมชาติของจิตก็เหมือนกันรับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเยเรารู้แล้วโอ้มันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราเป็นตัวควงเราเป็นธรรมชาติก้อนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วให้เราศึกษาเรียนรู้ แต่เราไปหลงสมมุติบัญญัติถ้ารูปใดคนใดไม่แก้งสมมุติบัญญัตินั้นเราจะคาเราจะคาอารมณ์ทำมาลูกแก้งลูกแก้งเห็นอะไรมาแก้งไปหมดเห็นลูกเห็นน้าให้มันแจ้งลูกแก้งอย่าลูกสักประจำเห็นสมมุติบัญญัติให้ลูกให้ลูกดีๆให้ลูกแก้งมันจะผ่านได้มันจะเราจะผ่านได้ทุก ทุกอารมณ์อย่าให้ติดอย่าให้คล่องนั้นเหตุที่ไม่คล่องนั้นถ้าหากว่ากายานุปัทานของเราไม่สมบูรณ์เนี่ยหรือรูปนามไม่สมบูรณ์เนี่ยจะคล่องนั้นเหตุมันอยู่ขึ้นอยู่ที่กายานุปทานติปทานตรงนี้เองถ้าเวทนากายานุปทานติปทานดีแล้วนั้นเวทนาก็สมบูรณ์ก็สมบูรณ์พ่อเวทนานุปทนานเป็นผลจิตตานุปทานาก็เป็นผล อ่อแก่เราได้สมเนี่ยเวทนาของเราเนี่ยสร้างขึ้นสร้างขึง้นหัดรู้บ่อยๆหัดรู้บ่อยๆการกระทบสัมผัสเราหัดรู้กำหนดรู้รู้บ่อยๆก็เกิดความชันาในการรู้ขณะที่กระทบสัมผัสนี่คือเวทนาหนุปัฒนาเวทนาของจิตเรากำหนดรู้บ่อยๆแล้วไม่ใช่ปฏิเสธอยาปฏิเสธรูปเสียงกินรสสัมผัสอย่าปฏิเสธหลวงพ่อชาบอกว่าตรงไหนกลัวให้เข้าไปตรงนั้น ตรงไหนทุกข์ให้เขาไปหยุดหาตรงนั้นศึกษาเรียนรู้ตรงนั้นนี่ตัวเวทนาตัวรูปเสียงกิริสัมผัสตาหูจมูกเลื่อนกายใจนี่ทําให้เราเกิดทุกข์เราต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ให้ชนานาญกําหนดรูปใบเขา้าแบบเขามันก็เกิดความชนานาญพราะกระทบมันรู้เลยจริงเพระกระทบมันรูปพระพบมันรูปลู่ไม่รูปเฉยๆล่างไปอีกล่างไปอีกสะอาดไปอีกพรหมจัจจันคือทางผ่านของอารมณ์ ใจขาเราจะสะอาดไม่คล้องแวะอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือกับอารมณ์ต่งางๆนี่เราจะเห็นไปอย่างนี้ยาไปเผลอมผ่านนี่กายยันมาผมได้แล้วอารมณ์รูปนามผมจะต่ออารมณ์ปรนนัตพูดอย่างนี้มันมันมันเป็นความโลภเป็นความอยากของเราพอเราได้พอเราเรียนรู้กาหนดแม่ทำมาปรินาดีแล้ว ดีเราพิสูจน์ได้อีกว่าเราติดไหมจากตาหูจหมูกลิ้นกายใจอดีตแล้วนะพอดเรติดไหยโอ้บางเทก็ติดตบางทีก็ติดหน่อยบางทีก็ติดบ้างแต่เราแก้ได้ทำไปไปจชนชักท่วงว่าพ่อกระทบมาเราลูกผ่าตรงเวทนานุปทานานี้ก็ต้อ ง, ต, องต้องเรียนเหมือนกันนะไม่ใช่เวทนาปนทานเนี่ยเป็นขั้นปฐมกายญาณปนาเนี่ยเป็นอนุบาล ถ้าจะเปรียบทั้งโลกโลกนะกายอนุปนัฏฐานกายอนุปัฏนาเป็นอนุบาลหรืออารมณ์รูปนามอารมณ์นามอยู่ที่กายอนุปัฏนา น, นเมื่อเราจากอนุบาลขึ้นมาชั้นปฐมคือดูเวทานุปนัฏฐานเรียนรูตรน้รรตรงนี้อีกให้ชนานาญต่อการกระทบถ้าไม่ผ่านแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเรียนรู้ต่อไปอีกคือเรื่องจิตเรื่องความคิด พอมันคิดมาเรารู้แต่ก่อนมันเราจะกลัวความคิดความคิดจะลากเราไปแต่พ่อนาซีเราสมบูรณ์แล้วเราศึกษามาศึกษาม า, า, มาเรียนรู้มามันเป็นขัน้นเป็นจอนเหมือนกันพอเรามาโอาเห็นแล้วก็วเห็นความคิดดวงพ่อภาพความพอใจหลงคือเห็นความหลงพอคิดมาเห็นเดี๋ยวนี้เราเรารู้ความคิดมันคิดแล้วเราจึงรู้พอรู้แล้วเราไปแก้ใช่นไหม คือแก้มันคิดยาวอยากให้มันสั้นกลับมายากความรู้สึกตัวนี่บางทีสติอยังยังไม่สมบูรณ์เน่เป็นผู้แพ้อารมณ์อีกสารพัดอย่างนักปฏิบัติจะเป็นอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อก็เป็นมาอยู่อย่างนั้นมันคิดหลายก็กําหนดเกมาให้มันคิดเกตนาเดินน้ำกลมแล้วสารพัดอย่างมันเลยเป็นความเครียดตรงที่มันกลางๆเน่ไม่มีใครที่จับได้เลยทีเดียวไม่มีนะ มันจะผิดจะถูกอารมณ์ของเราเนี่ยอย่าไปถือว่าเป็นอุปสรรคให้พวกเราวดเดียนรู้เป็นวิชาของเราที่จะต้องเรียนนะขแขนงนี้ต้องวิชาของเราต้องเรียนเนี่ยขอบคุณมันความคิดก็ขอบคุณโอ้ถ้าเราไม่มีความคิดเราเราไม่ต้องมาปฏิจจบัติถ้าเราไม่มีความทุกข์ไม่ต้องมีมาปฏิจจบัติความทุกขก์สอนเราความผิดความถูกสอนเราทั้งนั้น ตาหูจมูกเล่นกายใจสอนเราหมดทุกอย่างความคิดที่ปรุงทิศแต่ที่ดีทีตัวก็เป็นอาจารย์เราอีกอย่าไปปฏิเสธเราอย่าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจริงมันมีเยอะของเราทุกคนแล้วให้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงดังนั้นก่อนเรียนเนี่ยขอให้เราจับหลักให้ถูกเออะจะไปดูความคิดหลวงพ่อไม่สนับสนุนเรื่องการดูความคิด เราดูกายเนี่ยอยู่กับอารมณ์รูปนามอยู่ ก, กายอนุบันติปรฏฐานนี้จะไ ป, ไปจะไปรู้เองหมดเพราะตรงนี้มันเป็นเหตุเราปราบลดอยู่ที่เหตุเน่คือสติประฐานคือกายอนุบันติปรฏฐานคือสติรู้อยู่กับกายนี้ส่วนเวทนาปิตาธรรมะเป็นผลถ้าเรายืนหยัดอยู่ที่เหตุส่วนผลจะเกิดมาเองดังนั้นอยากระฝากเป็นการบ้านเอาไว้บอกว่า เริ่มต้นอยู่ที่กายอนุปนัติทานอาัตติเมลูอยู่ที่กายแน่นว่าเราผ่านขณะที่เราปฏิบัติอยู่นั้นมันจะมีอารมณ์หลายอารมณ์เออมามามาขวางกันเราเช่นอารมณ์ออกแกวิสุกวิจารมันจะไปอดีตอนาคตจบอนาคตไปเข้าสู่ปัจจุบันตัปัจจุบันนี้สติจะหลายขึ้นออกแก่วันจะไปเข้าแล้วรูปน้ําพอเราูปนามแล้วนี่จะมีอารมณ์ปัจจุบันมารับทันทีจินตยานวิปปลา่า ก็จะมาเว่มหมดจากวิปลาสแล้วถึงจะเข้าสู่วิปัตนาดังนั้นหลวงพ่อก็ถ้าจะพูดมันก็จะยาวไปเร่องอารมณเรมเรม์เราไม่ต้องเราไม่ต้องพูดเราไม่ต้องยันรู้เป็นแต่เราปาลบเหตุอยู่ที่กา ย, ยนนานุปนาทานดิปาทานนี่สิรู้กับ ก, กายนี่ละก็ะสมบูรณ์ดังนั้นจะเป็นเราไม่ปัจิจุบันวิปลาสก็หน้าที่ของเราทจิจิเรียนรู้อย่าไปปฏเิเสธหลวงพ่อด้ยิน นักปฏิบัติหลายคนกลัวกลัวอารมณ์่ปรนปถนูกลัวอารมณ์จินทะยานกลัวอารมณ์มีประลาสยากกลัวมมันหน้าที่ของเราที่จะเรียนรู้ถ้าไม่เรียนไปยังไงไม่ไม่ถูกไม่ไม่ถูกพิษที่ของกรรมฐานเนี่หมอกรรมคนเนี่ยโทษเลยแหละอารมณ์พ่อเมื่อไหรผมจะเจออารมณ์เป็นปนูเนอเนี่ยอารมณ์เป็นปนูเป็นดาบสองคมใครที่ผ่านอารมณ์เปันปนูได้จะเพศเก่ง แต่เทศเจ็นพูดทําไไ้เลยอาลเวกปัสนูจินยานวิปลาสมันเป็นทั้งความรู้มันเป็นทั้งความหลง